ความตายเป็นภาวะปกติของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่จะต้องพบกับการจบสิ้นของชีวิตในที่สุดตราบใดที่ยังมีการเกิดก็ต้องมีการตายแม้กระนั้นคนเราทุกคนต่างก็ยังคงกลัวความตายเหมือนกันเพราะว่าความตายคือการพรัดพรากจากลูกเมียพ่อแม่แล้วก็ญาติมิตรตลอดจนสิ่งที่ตัวเองรักและสมบัติพัสถานประดามีอย่างไม่มีโอกาสย้อนกลับมาอีก ยิ่งเป็นคนที่ตกอยู่ในอำนาจของโลภะและโมหะถึงขั้นมืดบอดทั้งสติปัญญาด้วยแล้วจะหวั่นกลัวความตายยิ่งกว่าปกติธรรมดาด้วยจิตของตนยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองตลอดจนคนที่ตนเองรักใคร่จนเหนียวแน่น มีบางคนที่กลัวตายไม่อยากตายและรู้กำหนดเวลาตายของตนแล้วก็รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถชะลอเวลาที่จะถึงวันตายให้ยาวนานออกไปได้อีกระยะหนึ่งแต่ว่าเขากลับไม่ทำไม่พยายามที่จะทำจนกระทั่งสายเกินกว่าที่ใครจะช่วยได้เช่นเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของเนกรูรับทองซึ่งหลวงพ่อจรันติตะธรมโมแห่งวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีได้บันทึกเอาไว้อย่างละเอียดชัดเจน หลวงพ่อจรันได้เตือนสติในกระุทรัพย์ทองหลายครั้งหลายหนให้สำนึกถึงสัญญาณมรณะที่มาปรากฏแก่เขาแล้วทว่าเขากลับละเลยไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของหลวงพ่อ ทั้งนี้คงเป็นเพราะกรรมของนายกรู่ที่เข้ามาบดบังสติสัมปชัญญะของเขาในขณะนั้นให้พรามัวไปดังนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงความตายไม่พ้นหนีความตายไม่รอดซึ่งผู้เขียนนรรมสการ์อนุญาตถ่ายทอดจากบันทึกของหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมนำมาเรียบเรียงพรรณนาให้ท่านสาธุชนได้รับฟังต่อไปนี้ค่ะ ในกรุซับทองอยู่ที่อำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางเขาเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้มาตั้งแต่เล็กๆเมื่อเป็นหนุ่มเขาก็ทำงานทุกอย่างไม่มีเกี่ยงงอนผลฤดูทำนามานานแล้วในกรุได้แจวเรือจ้างรับคนข้ามฟากระหว่างสิงห์บุรีแล้วก็อำเภอชัยโยโดยเก็บค่าโดยสารคนละหนึ่งบาทได้เงินมาใช้ก็ใช้จ่ายอย่างรู้จักค่าของเงินแล้วก็เงินบางส่วนได้เก็บหอมรอมริบมาโดยตลอด ในกลุ่มผู้นี้มีอุปนิสยัยรื่นเริงกิริยาสุภาพอ่อนน้อมพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่แตะต้องอบายมุกและก็ไม่เคยทำบาปมีใจเป็นกุศลและใฝ่ในทางธรรมจึงเป็นที่รักและก็ชอบพอของคนทั่วไปเมื่ออายุครบบวชแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจนครบพรรษาจึงได้ลาสิกขากลับมาใช้ชีวิตในเพศคาราเหมือนเดิม ปุเพศนิวาชักนำให้ในกรูเกิดรักใคร่ชอบพอกันกับสาวหุนลูกจีนอยู่ในตลาดบ้านแป้งแต่ว่าพ่อแม่ของสาวหุนเนี่ยไม่พอใจในกรูเท่าไหร่นักนะคะเนื่องจากว่าคนจีนสมัยนั้นเนี่ยไม่นิยมรับคนไทยมาเริ่มครอบครัวเพราะามองเห็นว่าคนไทยค้าขายไม่เก่งสู้คนจีนไม่ได้ทําให้สองหนุ่มสาวซึ่งมีความสัมพันธ์ทางใจกันอย่างหนักแน่นลาบากใจด้วยกันทั้งคู่ค่ะ แต่ว่าอุปสรรคขวางหน้ำใดๆก็ไม่อาจขวางกั้นพลังแห่งความรักของสองหนุ่มสาวคู่นี้ได้ในที่สุดค่ะทั้งสองก็ได้ร่วมชีวิตกันสมปรารถนาในกรุแล้วก็แน่งหุ้นค่ะมาเช่าห้องแถวที่หน้าวัดกลางธนรินเปิดร้านข า, ขายของชำประกอบอาชีพอย่างขยันขันแข็งเพื่อสร้างอนาคตให้มั่นคงในภายภาคหน้า ต่อมานังหุนเริ่มตั้งคันค่ะในกรู๋ก็ยิ่งเพิ่มความขยันหมั่นเพียรเดินทางขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพสิงห์บุรีเป็นประจำเพื่อซื้อสินค้าจากกรุงเทพนําเอาไปขายที่ร้านขายของชําของเขาวันหนึ่งนะคะในกรู๋เนี่ยเดินทางเข้ากรุงเทพค่ะพร้อมกับนําเงินติดตัวมาด้วย 3,000 บาทเพื่อที่จะซื้อมะพร้าวพริกกระปิ ระเทียมแล้วก็สินค้าอื่นๆแล้วก็นํากลับไปขายที่ร้านของตนระหว่างเดินทางที่กรุงเทพสิงห์บุรีสมัยนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีแต่เรือแดงเรือเขียวแล้วก็เรือสินค้าในกลุ่ซื้อสินค้าได้ทั้งหมดแล้วก็ขนลงเรือสินค้าเดินทางกลับบ้านนะคะ เย็นวันนั้นเรือสินค้าออกจากท่าเตียนล่องไปตามลำน้ำเจ้าพยามุ่งหน้าสู่สิงห์บุรีนายกรุก็นั่งนั่งนอนๆอ น, น, อนอยู่ข้างห้องใกล้เครื่องกับกองมะพร้าวแล้วก็สินค้าที่ซื้อมาจะเอาไปขายเวลานั้นนี่เป็นช่วงหน้าหนาวคนเรือก็เลยเอาผ้าใบสองข้างเก๋งเนี่ยลงหมดเพื่อบรรเทาลมหนาวให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่โดยสารมา เรือยนต์บรรทุกสินค้าแล่นไปเรื่อยๆค่ะตามเส้นทางจนกระทั่งล่วงเข้าตีหนึ่งก็มาถึงบ้านโพจังหวัดอ่างทองนายท้ายเรือคงจะเผลอหลับไปหรืออย่างไรก็ไม่รู้เรือก็เลยเบนออกนอกเส้นทางพุ่งเข้าชนโขดเต็มเหนี่ยวแล้วก็พลิกคว่าทันทีนะคะผู้โดยสารซึ่งกำลังนอนหลับสนิทก็ะวาตื่นด้วยความะหนกตกใจสุดขีดค่ะทุกคนตะเกียกตะกายหาทางออกสุดชีวิต แต่ว่าบางคนเคราะหร้ายเหมือนกับจะถึงที่ตายถูกเข่งใส่สินค้าทับดิ้นหนีไม่ได้จึงจมน้ำตายอย่างน่าอนาถสำหรับในกรูซึ่งนอนอยู่ข้างห้องเครื่องก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับผู้อื่นก็คือตะเกียกตะกายหาทางออกจากเรือที่จมน้ำ แต่เนื่องด้วยมีผ้าใบปิดกั้นอยู่ก็เลยออกไม่ได้นะคะก็เลยจมอยู่ใต้น้ำจนอั้นลมหายใจไม่อยู่อีกไม่กี่วินาทีก็คงจะขาดใจตายนแน่แล้วในกลุกก็เลยเสียงอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะขอบวชในพระพุทธศาสนาขอให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากความตายนี้ด้วยเถิด พออธิฐานจบค่ะนกรู่ก็ควานมือไปเจอช่องว่างเข้าก็เลยทะลึ่งตัวพรวดออกไปโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้เป็นอันว่ารอดตายอย่างหวุดหวิดนายกรู่รอดชีวิตมาได้เหลือเพียงแค่เสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวมาเท่านั้นส่วนมะพร้าวแล้วก็สินค้าอื่นๆไม่มีเหลือเลยลอยหายไปกับสายน้ำบ้างจมน้ำเสียหายจนหมดบ้างเรือจมคราวนั้นมีคนตายหลายคนค่ะทั้งทงที่ความลึกของแม่น้าช่วงนั้นลึกแค่คอเท่านั้นเอง แต่ที่มีคนตายมากก็เพราะว่าติดอยู่ในเรือหาทางออกไม่ได้ก็เลยจมน้ําตายอย่างน่าสลดในกลุ่กลับมาบ้านมือเปล่าแต่ว่าไม่ได้เสียดายเงิน 3,000 บาทที่สูญไปพร้อมกับสินค้าทั้งหมดนะคะเพราะว่าเอาชีวิตรอดมาได้ก็นับว่าบุญแล้วเมื่อมีชีวิตอยู่มีสติปัญญามีเรียวแรงพร้อมพระ ก, ก็ย่อมดิน้นรนขวัญขวายหาเงินทองได้อีก ตอนนั้นในกลุ่มีอายุ24ปีในกลุ่ก็ได้เล่าให้เมียฟังถึงเหตุการณ์ที่เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งโดยละเอียดยิบเลยล่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้เล่าเรื่องที่ตนเองอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากรอดตายมาได้จะขอบวชในพระพุทธศาสนาวิถีชีวิตของคนขยันทำมาหากินค่ะรู้จักใช้จ่ายแล้วก็อดออมเช่นในกลุกลับนางหุ้นก็เลยจะเดินรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีฐานะมั่นคง ลูกคนโตซึ่งเป็นลูกสาวก็เจริญวัยตามลําดับแล้วก็ยังได้ลูกตามมาอีกหลายคนค่ะนับว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งเหมือนกันต่อมาในกรูกได้รับพ่อแม่มาอยู่ด้วยเพื่อจะได้ปรนิบัติรับใช้บุพก า, ารีให้ได้รับความสุขความสบายตามหน้าที่ของลูกผู้มีความกตันยูกะตะเวทีนะคะช่วงนี้ในกรูก็ได้ซื้อรถยนต์มาขับรับจ้างสองคันมีรถตู้คันหนึ่งกับปิกอัพคันหนึ่งแล้วก็มีรถออรติสนะคะใช้ส่วนตัวอีกคันหนึ่งค่ะ ฐานะครอบครัวก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกแต่ว่าต่อมาพ่อของนายกรูเกิดเบื่อหน่ายในเพศคาราวาสก็เลยไปบวชเป็นพระภิกษุและได้เป็นสมภารวัดคลองสายบัวจังหวัดลบบุรีตราบจนมรณะภาพ ในกรูเนี่ยก็เป็นคนใจบุญไฝ่ในทางธรรมดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นดังนั้นในกรูจึงมาช่วยงานวัดอัมพวันซึ่งมีหลวงพ่อจรันติตาธรมโมเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสทุกครั้งที่ว่างจากงานอาชีพและหลวงพ่อก็ได้ใช้รถของในกรูเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆเพราะว่าวัดอัมพวันยังไม่มีรถเป็นของวัดนะคะจนกระทั่งเวลาผ่านไปค่ะ ในครูเนี่ยดูเหมือนจะลืมเรื่องสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนเรือล่มจะจมน้ำตายว่าจะบวชในพระพุทธศาสนาสัสสิทิเลยจนกระทั่งลูกสาวคนโตซึ่งเรียนสำเร็จพยาบาลทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลหญิงอ า, อายุได้24ปีนะคะแล้วก็ได้แต่งงานกับอาจารย์ที่โรงเรียนพิบู์วิทยาลายัยจังหวัดลบบุรีค่ะโดยกำหนดวันแต่งงานในวันที่9สิงหาคม2517นะคะ ซึ่งในขณะนั้นนะคะในกลุ่เองก็มีอายุ48ปีค่ะก็ได้เกิดฝันไปนะฮะว่ามีนายนิรยาบาล4ี่คนแต่งตัวด้วยผ้าแดงโภคศีรษะด้วยผ้าแดงเหมือนกันมาหาในกลุ่บอกกับในกลุ่ว่าหมดเวลาแล้วจะต้องเอาตัวไปว่าแล้วก็จับมือจับแขนฉุดกระชาิจะลากเอาตัวไปให้ได้แต่ว่าในกลุ่ไม่ยอมค่ะแข็งขืนดึงดันเอาไว้พร้อมกับอ้อนวอนว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าลูกๆยังเล็กนัก นายนิรยาบาลไม่ยอมค่ะจะเอาตัวไปให้ได้ก็ฉุดกันไปรั้งกันมาจนในกรู่ตกใจตื่นวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจรันมีกิจจะต้องไปกำแพงเพชรซึ่งนัดหมายในกรูให้นำรถมารับในกรู่ขับรถมาที่วัดตามเวลาแต่บอกกับหลวงพ่อว่าขออนุญาตไม่ขับรถไปส่งหลวงพ่อนะพูดจบแล้วน้ำตาก็ไหลหลวงพ่อจรันเองก็แปลกใจก็เลยถามว่ามีเรื่องอะไรในกรูก็เลยเล่าให้ฟงังว่าเมื่อคืนนี้ในฝันเห็นนายนิรยาบาลจะมาเอาตัวไป หลวงพ่อจรันก็ปลอบใจให้หายกังวลเป็นอันว่าวันนั้นหลวงพ่อไม่ได้ไปกําแพงเพชรเพราะว่าในกลู่นเนี่ยไม่ยอมขับรถไปให้พอคืนที่2องค่ะในกลู่นอนหลับสนิทก็ฝันอีกค่ะฝันว่านายนิรยาบาลชุดเดิมนี่แหละมาพบในกลู่ก็นําบัญชีมาด้วยเอาบัญชีมากางบอกว่าวันนี้ต้องเอาตัวไปให้ได้เพราะว่ามีชื่อในบัญชีในกลู่ก็ขอร้องอ้อนวอนว่าอย่าเอาตัวเข้าไปเลย ฝ่ายนายนิรยาบาลก็ไม่ยอมจะเอาตัวไปให้ได้ค่ะในกลู่ไม่ยอมไปท่าเดียวจนตกใจตื่นวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจรันจะไปงานศาสนากิจที่จังหวัดลบบุรีก็ไปไม่ได้อีกเพราะว่าในกลู่มไม่ยอมขับรถไปเช่นเดิมคืนที่3มในกลู่ก็ฝันอีกนะคะฝันเห็นนายนิรยาบาล4คนค่ะคนเดิมนี่แหละกลุ่มเดิมนี่แหละเดินมาหาเพื่อจะเอาตัวในกลู่ไปในกลู่ก็ไม่ยอมไปเช่น2คืนก่อนนายนิรยาบาลคนนึงนะคะก็เลยพูดว่า กรูรู้ไหมที่จะเอาตัวเจ้าไปเพราะเหตุดใดเนกกรูก็ตอบว่าไม่ทราบครับจะเอาตัวผมไปทําไมเนกกรูตอบกรูจําได้ไหมเมื่อเจ้าอายุ24ปีลูกสาวคนโตของเจ้ายังอยู่ในครรภ์จนลูกเจ้าคลอดออกมาเติบโตกระทั่งจะแต่งงานแล้วเจ้ามีอะไรหรือเปล่าลองนึกดูสิเนกกรูนึกไม่ออกค่ะก็เลยตอบไปตามความจริงว่าไม่ทราบนาย น, นรยาบาลคนเดิมก็เลยบอกว่าตอนเรือล่ม่ะลูกสาวคนหัวปีของเจ้ายังไม่เกิด จนลูกสาวอายุ24ปีและก็จะแต่งงานในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจ้าพูดว่าจะบวชทําไมไม่บวชนี่เสียสัตวจะจะเป็นกฎแห่งกรรมเจ้านายเขาให้เอาตัวไปในวันนี้ให้จงได้ในกลู่ได้ยินว่านายในรยาบาลบอกว่าจะเอาตัวไปให้ได้ก็เลยเกิดความหวาดกลัวสุดขีดถึงกับร้องไห้โฮค่ะพร้อมกับพร่ำรำพันบอกอยากเอาตัวผมไปเลยลูกก็ยังเล็กๆยังเรียนหนังสืออยู่คนโตเพิ่งจะเรียนสําเร็จคนเดียวเท่านั้นขอเมตตากระผมเถิด นายนิรยาบาลไม่ยอมจะเอาตัวไปให้ได้ในกลู่ก็ร่ำไห้อ้อนวอนไม่ขาดปากนายนิรยาบาลคนหนึ่งตาโป น, นุ่งผ้าแดงใส่เสื้อแดงนะคะโพกหัวด้วยผ้าแดงเหมือนกันมีผ้าห้อยคอสีขาวท่าทางจะเป็นหัวหน้ากลุ่มก็เกิดความสงสารในกลู่แล้วก็ได้พูดกับในกลู่ว่ากลู่เอ้ยข้าก็เห็นใจเจ้าที่ลูกเจ้ายัางเล็กนะัก เอาอย่างนี้ไหมถ้าจะผ่อนผันให้เจ้าภายใน2ปีนี้เจ้าจะต้องบวชตามสัจจะสัญญาหากเจ้าบวชภายใน2ปีนี้เราจะไม่เอาตัวไปทำได้ไหมแม้นายนริยาบาลจะผ่อนผันให้ในกระูกก็ยังไม่รับปากค่ะต่อรองแก้ตัวเอากับนายนริยาบาลว่ากระผมบวชยังไม่ได้หรอกขอรับ หลวงพ่อของกระผมก็บวชเป็นสมภารไปแล้วองค์นึงผมเป็นลูกชายคนเดียวไปบวชอีกชาวบ้านเขาจะหาว่ามาอาศัยข้าววัดกินอีกอย่างผมกำลังค้าขายยังตั้งตัวไม่ได้ถ้าผมไปบวชซะแล้วก็ไม่มีใครมาทำการค้าขายแทนนายในรัยบาลตาปนค่ะได้บอกในกลุ่มเป็นครั้งสุดท้ายนะคะว่าเจ้าจะบวชหรือไม่บวชก็ตามใจเถิดแต่เจ้าต้องบวชถ้าไม่บวชเจ้าจะต้องตายนะรถชนคอหักตายนะ ถ้าบวชแล้วคงไม่ขับรถจะเอาอย่างไรก็ตามใจเจ้าเถอะฝันได้แค่นี้ค่ะนายครูก็ตกใจตื่นลืมตาขึ้นมาจิตใจเกิดวันไหวด้วยความหวาดกลัวค่ะคิดว่าถ้าตนเองต้องตายลูกเมียคงได้รับความลำบากแน่นอนเพราะว่าขาดคนทำงานหาเงินเป็นหลักของครอบครัวก็นอนกระสาบกระสายหลับๆตื่นๆ ในครูรีบมาหาหลวงพ่อจรันในเช้าวันต่อมาก็เล่าเรื่องความฝันให้ฟังพรางร่าให้ไปด้วยหลวงพ่อก็บอกให้ในครูบวชซะเถอะเพราะการไม่รักษาสัจจะวาจาเป็นการผิดศีลข้อมุสาเป็นวจีกรรมอย่างหนึ่งในครูไม่ยอมตกลงปลงใจบวชได้เพราะว่ามีความเป็นห่วงครอบครัวสูงมากค่ะ อีกอย่างหนึง่งก็มีความกังวลเรื่องลูกสาวคนโตจะแต่งงานในเดือนสิงหาคมที่ใกล้เข้ามาทุกทีหากตนบวชซะแล้วก็กลัวนะคะว่าการจัดงานแต่งจะบกพร่องไม่เรียบร้อยก็เลยบอกหลวงพ่อเจรันว่าตนเนี่ยไม่สามารถบวชได้หลวงพ่อจรันก็ย่อมไม่สามารถบีบบังคับให้ในกลุ่บวชได้เนะ้อเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกุศลผลกรรมของแต่ละคนค่ะสุดวิสัยที่ท่านจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวจนเกินขอบเขตอันสมควร พอใกล้วันแต่งงานลูกสาวคนโตของในกรู่เข้าไปทุกทีในกรู่เองก็พลอยลืมเรื่องความฝันของตนเนื่องจากมัววุ่นวายกับภาระอาชีพการงานจนกระทั่งวันหนึ่งคุณผู้ฟังในกรูเนี่ยฝันไปอีกนะคะว่านายในรยาบาล น, นี่มาเตือนให้บวชซะหากไม่บวชจะต้องตายอย่างอนาถอนาดในกรู่ตื่นขึ้นมาก็เกิดความทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมซ้ํายังเกิดความเจ็บปวดที่ช่องท้องตรงบริเวณตับทําให้หวาดหว่นว่าเอ๊ะตัวเราเองคงจะถึงวาระจบสิ้นชีวิตซะแล้วกระมัง ทีนี้ในกลู่ก็ทนทุกทรมานใจอยู่คนเดียวไม่ไหวก็เลยไปหาครูหนุนทํานองครูใหญ่โรงเรียนวันกลางาวันกลางคณะรินนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เล่าเรื่องความฝันอันสยดสยองของตนให้ครูหนุนฟังอย่างละเอียดครูหนุนเองก็ไม่รู้จะช่วยเหลือแบบไหนดีก็เลยแนะนําให้ไปปรึกษาหลวงพ่อจรัยอีกรอบนึงเพราะว่าในกลู่และก็ครูหนุนต่างก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรรยทั้งครูทั้งคู่นะคะในกลู่ก็ตกลงว่าจะไปหาหลวงพ่อพร้อมกับครูหนุน ครูหนุนก็ไม่ร <orang> <ite> ู้ว่าในกรู่ไปพบหลวงพ่อแล้วก็เล่าเรื่องความฝันของตนให้หลวงพ่อฟังแล้วถึง3าครั้งเนื่องจากว่าในกรูขอร้องหลวงพ่อไม่ให้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังหลวงพ่อก็เลยไม่พูดพอไปถึงวัดค่ะก็ได้พบกับหลวงพ่อจรัญในกรู่ก็ได้แต่นั่งร้องไห้ไม่ยอมพูดไม่ยอมเล่าเรื่องความฝันแล้วก็ความทุกข์ใจของตนให้หลวงพ่อฟังครูหนุนก็เลยเล่าให้ฟังซะเองหลวงพ่อก็นั่งฟังโดยสงบจนกระทั่งครูหนุนเนี่ยเล่าเรื่องจบ ท่านก็นั่งสงบอยู่นานพอสมควรค่ะแล้วก็บอกในครูว่าครูบวชซะเถอะในครูก็ตัดใจบวชไม่ได้เช่นเดิมค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าห่วงนั่นห่วงนี่เป็นห่วงว่าครอบครัวจะลำบากห่วงลูกห่วงหลานโอ้ยสารพัดจะห่วงห่วงแม่ซึ่งแก่ชาราแล้วว่าจะไม่มีใครดูแลปฏิบัติ ครูหนุนแล้วก็หลวงพ่อจรานก็พยายามพูดจานโน้มนำให้ในกรูบวชอยู่นานในกรูจึงตกลงให้สัญญาว่าจะบวชในเดือนกันยายนก็คือหลังจากงานแต่งของลูกสาวผ่านพ้นไปแล้ว1เดือนจากนั้นในกรูกับครูหนุนก็นำมัสการกราบลาหลวงพ่อกลับบ้านด้วยความสบายใจขึ้นนะคะจนกระทั่งวันที่9สิงหาคม2517ค่ะ เป็นวันเริ่มงานมงคลสมรสระหว่างลูกสาวคนโตของนายกรุ ก, กับอาจารย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยในวันที่สิบสิงหาคมเนี่ยเป็นวันประกอบพิธีมงคลสมรสงานก็ได้ดำเนินผ่านไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นทุกประการนะคะ จนล่วงมาถึงเดือนกันยายนค่ะซึ่งในกลู่สัญญาว่าจะบวชในเดือนนี้แต่ว่าในกลู่กลับไม่ยอมบวชตามสัญญาทั้งๆ ท, ที่หลวงพ่อจรัญก็เตรียมผ้าไตรเอาไว้ให้แล้วครบชุดจนเวลาก็ได้ล่วงผ่านไปเรื่อยๆค่ะในกลู่กลับลืมเรื่องบวชซะสนิทเลยหลวงพ่อจรัญท่านเองก็เคยเตือนหลายครั้งหลายหนแต่ว่าในกลู่ก็ผัดผ่อนเลื่อนวันประกันพุ่งเรื่อยมาตราบกระทั่งเวลาล่วงเข้าปีที่2ก็คือปี2518ในกลู่ก็ยังไม่ได้บวช หลวงพ่อจรันก็ไม่ลืมเรื่องความฝันซึ่งเป็นสัญญาณมรณะของในกลู่จนกระทั่งเข้าพรรษาของปีนั้นแล้วหลวงพ่อจรันได้เรียกในกลู่มาเตือนอีกเพราะว่าถ้าถึงวันที่9สิงหาคมก็จะครบตามกําหนดสัญญาวันตายของในกลุ่ที่นายนิระยะบาลบอกล่วงหน้าเอาไว้ในความฝันในกลู่บอกกับหลวงพ่อจรันว่าหลวงนาะมันเข้าพรรษาแล้วจะบวชได้อย่างไรครอบครัวผมเขาจะว่าเอา หลวงพ่อเมตตาในกรูนักพยายามเกลี้ยกล่อมในกรู่ต่อไปอีกว่าถึงจะบวชกลางพรรษาก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่บวชครบพรรษาแล้วจะสึกก็ได้ในกรูก็บ่ายเบียงอีกลูกคนรองของผมก็ยังทาเข้าทำงานไม่ได้อีกอย่างหนึ่งตอนที่ผมซื้อรถยืมเงินแม่มา4ี่0 0บาทเพิ่งใช้คืนแม่ได้ 2,000 เท่านั้นเองคงบวชไม่ได้หรอกครับหลวงนะ หลวงพ่อจรัญก็บอกให้ในครูทราบว่าท่านเตรียมผ้าไตราบาทาผ้าตรายแล้วก็บาทเอาไว้แล้วท่านที่นั่งในหอประชุมที่กุฏิของท่านแล้วก็จะไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณพร ม, มโมลีเป็นอุปชาอีกทั้งยังเตรียมเครื่องอัฐบริขารถวายพระคู่สวดถวายจตุปัจจัยให้อุปชาเสร็จสรรเรียบร้อย คุณผู้ฟังคะคงจะเป็นเพราะว่าเวรกรรมของในกรูโดยแท้ค่ะที่เกิดมามีความรู้สึกห่วงใยครอบครัวยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองแทนที่ในกรูเนี่ยจะยอมบวชในพระพุทธศาสนาถวายตัวเป็นพุทธบุตรชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองค่ะกลับปฏิเสธแบบจริงจังออกมาผมไม่บวชแน่ครับและหลวงนาะอย่าบอกเรื่องที่ผมฝันร้ายนี้ให้แม่แลวก็เมียผมรู้เด็ดขาด กรูไม่ให้บอกอัตมาก็ไม่บอกหลวงพ่อจรันท่านก็รับปากหลวงนาอย่าบอกกับท่านเจ้าคุณพรหมโมลีเรื่องที่ผมฝันร้ายด้วยนะครับหลวงพ่อจรันก็รับคําเป็นสัจจะนะคะเมื่อในกรูขอร้องไม่ให้บอกใครหลวงพ่อก็จะไม่บอกแล้วก็ไม่เอ่ยถึงทีนี้เหลืออีกแค่7วันค่ะจะครบกําหนด2ปีนายกรูขอนิมนต์หลวงพ่อจรันไปฉันที่วัดกลางธนริน ทุกวันขอทำบุญสร้างกุศลแทนการบวชซึ่งหลวงพ่อก็รับมิมนไปฉันที่วัดกลางจนกระทั่งวันที่7็ด วันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะฉันเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจรันมีศาสนกิจไปที่บ้านเก่าตําบลบ้านม้อ อ, อําเภอพรมคีรีข้ อ, ขอภัยค่ะ อ, อําเภอพรมบุรีนะคะกับท่านเจ้าคุณวัดกลางในกลู่ก็ได้เข้ามานมัส ก, การหลวงพ่อจรันบอกหลวงนาะผมขับรถไปส่งหลวงนาะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะต้องไป อ, อําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีคนจ้างรถไปงานแต่งงานแล้วในกลู่ก็แยกไปตามที่รับจ้างเอาไว้ แต่ว่ามีที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือก่อนออกจากบ้านในครูไหว้ลาแม่บอกลาทุกคนราวกับว่าสังหอนนะคะว่าจะไม่ได้กลับมาอีกจากนั้นก็เลยขับรถออกไปส่วนหลวงพ่อจรันก็ไปกับท่านเจ้าคุณวัดกลางจนเวลาบ่ายสองโมงล่วงแล้วจึงกลับวัดอัมพวันพักผ่อนได้ครู่เดียวค่ะเจลิร้านช่างทองที่สิงห์บุรีขับรถเข้ามาที่วัดอัมพวันแล้วก็เข้ามากระดาบหลวงพ่อแล้วถามหลว ง, ลวงพ่อนะคะว่าหลวงพ่อคะในครูอยู่ไหม เขาไม่อยู่หรอกโยมขับรถไปงานแต่งงานที่อำเภอท่าตะโกเจลีก็แสดงท่าตกใจถ้างั้นในกลุ่ก็ตายแล้วเอวรู้ได้ไงลูกน้องของฉันก็ไปที่นครสวรรค์มาเห็นรถในกลุ่คว่ำที่มโนรมมีคนหนึ่งคอหักตายคนอื่นๆไม่เป็นอะไรเลยสักคนลูกน้องของฉันเองเนี่ยยังลงไปช่วยด้วยเลยค่ะ ในกลู่ับทองถึงค่าจริงๆคุณผู้ฟังเขาตายเช่นเดียวกับที่นายนิรยาบาลเข้าฝันบอกไว้แล้วล่วงหน้าเอาไว้เมื่อ2ปีก่อนนะคะซึ่งรายละเอียดตอนรถคว่าเนี่ยมีว่าในกลู่ขับรถไปถึงเขตอาเภอแมโนรมแล้วก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเป็นผู้หญิงขับแล้วก็มีผู้หญิงซ้อนท้ายขับนาหน้าอยู่ในกลู่เห็นผู้หญิง ขับชะลอก็เลยชะลอรถลงตามเมื่อได้จังหวะจึงเร่งเครื่องเพื่อจะแซงขึ้นหน้าแต่ว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นเกิดฉลบออกมาตัดหน้าค่ะในกรูก็เลยเบรกเต็มเหนียวพร้อมชะโงกหน้าออกไปตะโกนบอกคนที่นั่งอยู่ด้านหลังให้ระวังตัวพริบตานั้นเองรถก็เสียหลักพลิกคว่มลงข้างทางรถทับในกรูคอหักตายค่ะที่วันที่ตายคือวันที่9สิงหาคม2511ครบ2ปีพอดี หลวงพ่อจรันรับทราบความตายของในกลุ่ด้วยความสงบเพราะว่ากฎแห่งกรรมนี้ไม่มีใครเลี่ยงพ้นเลยท่านกล่าวว่าการบ่นไว้แล้วไม่ปฏิบัติตามคำบ่นไม่ใช่เกิดกรรมเพราะไม่ทำตามที่บ่นเอาไว้หากเป็นกรรมอันเกิดจากการเสียสัตยจะอย่างรุนแรงต่างหาก หลวงพ่อได้นำผ้าตรายและเครื่องอาถาบริการทั้งหมดไปติดกันเทศอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ในกลุ่ด้วยนะคะถ้าหากว่าในกลุ่บวชก่อนถึงกำหนดวันตายในกลุ่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่รอดอีกต่อไปเพราะเมื่อบวชแล้วย่อมไม่ขับรถรถก็จะไม่ชนไม่คว่ำตามกำหนดเวลามรณะอีกประการหนึ่งเสมือนในกลุ่จะกาหนดวันตายของตัวเองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองก็กลัวตายเหมือนกันค่ะ นั่นคือไม่เคยบอกกล่าวเรื่องความฝันให้แม่แล้วก็เมียแล้วก็ลูกฟังเลยแม้จะเล่าให้หลวงพ่อเจรันกับครูหนุนฟังก็ตามแต่กลับห้ามไม่ให้หลวงพ่อแล้วก็ครูหนุนเนี่ยเล่าให้คนอื่นๆฟังโดยเด็ดขาดหากในกรูไม่ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับนำเรื่องราวที่ตนเองฝันสยองไปเล่าให้เมียกับแม่ได้รับรู้เชื่อนะคะว่าบุคคลทั้งสองจะต้องเร่งให้บวชตามที่ได้สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนจะจมน้ําตายเอาไว้เป็นแน่ ตรงนี้ก็คงจะเป็นกรรมของนายครูเองที่จะต้องมาตายในสภาพดังกล่าวเป็นกรรมที่หนีไม่พ้นทั้งทั้ ง, ท, งที่มีโอกาสบวชเพื่อขออโหสิกรรมได้ยังมีผู้ข้องใจสงสัยกันอยู่นะคะว่ากรรมดีกรรมเลวจะสนองให้เห็นในชาตินี้หรือชาติหน้าหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วท่านจะคลายความข้องใจสงสัยจนหมดสิ้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในบันทึกของหลวงพ่อจรัติตะธรรมโมแห่งวัดป่าอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ